โน่นกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้เนี่ยนะสิ่งที่ทำไปมันก็ไม่เป็นอย่างคิดเนอเหมอนั้นนะ <c oughs> ก็ยังไงยังไงนะเราทั้งหลายก็อย่าไปเดือดร้อนแบบนะถ้าใครอ่านเปรตแต่ว่าถูกมามากะนะจะรู้เลย <c oughs> คือตัวเองเนี่ยทำบาปอากุศลไว้เยอะในโลกะนะโดยการสแสวงหาทรัพย์ด้วยวิธีการอันเป็นบาปทีนี้พอทำเข้ามันก็ตกนรกเออเป็นเปรตเป็นเปรต เ, เนี่ย ตระกูลแบบนี้ปกติลูกมันก็ไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่แล้วล่ะทีนี้พอเป็นเปรตเข้านะอย่างสมัยพุทธกาลนี้นะ่ลูกหลานไม่ทําบุญเลยนะเปรตก็เดือดร้อนเอ้พวกนี้มันน่าจะทําบุญให้เราบ้างอนะของพวกนี้มันเราของเราทั้งนั้นแหละนะนะนะเสร็จแล้วลูกหลานมันก็ไม่ได้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้หรอกอย่างั้นเ่ะนี้ลักษณะนี้เหมือนกันนะว่าบุคคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนะนะยังไงยังไงก็ห่วงพบหน้าไว้บ้าง ยังชอบใจในพระวินัยปิฎกเนี่ยนะพูดถึงคณะวินัยทรนนะ่ะวินัยทรเนี่ยนะถ้าจะตัดสินอะไรบะงงั้นเถื่อยังไงให้คิดสัมปรายาพบไว้บ้างนะ <c oughs> นั่นบอกพระวินัยทรนนะถ้าจะตัดสินอธิกรณอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองลงตัดสินเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งว่าให้ให้ตัวผู้ตัดสินเนี่ยคิดถึงตัวเองชาติหน้าด้วยนะให้ตัดสินนี่มันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อันนั้นสิ่งที่เราทํายัางไงยังไงก็ ประโยชน์ในทิฏธรรมนี้อาจจะเห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมยังไงเสียก็ห่วงไอ้สัมปรายพบไว้บ้างเนะ่ยนะมาบินว่อนอย่างนี้แล้วก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะบินชนล่องชนล่างบ้างชนบนบ้างเนี่ยนะชนหัวคนบ้างชนพื้นบ้างนะก็ห่วงห่วงไอ้พวกอย่างนี้ไว้บ้างหลงทางออกไม่ได้โอ้ยตัวนี้เจ็บตัวเล็กพูดเลยแล้วตัวนี้พูดมันหลงทางนะออกไม่ได้ ถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงในชีวิตนะยางี้หมดตัวเลยนะชาตินึกอะไรไม่ออกเลยนะสั้นแต่มันบ่อยอ ะ, อะ สั้นแต่ว่ามันไม่มีออกสักทีไงนะเราอยู่อย่างนั้นแหละคือถ้าปกตินะถ้าเปรตที่อยู่ในเงื่อนไขที่รับได้ไอถูกที่กรโดดเลยคอถูกดึงี้ก็ตนเลย มันมันตัดเจ็บนะ ต, ตัวนี้มันเป็นมแมลงที่มีพิษสูงมากเอาอะไรมาคอถ้วยแก้วไปปกติล้อแล้วก็เอาไปปล่อยที่เดี๋ยวมอยู่นี่เลยขนาดธรรมดาปกติกับรงพากมั้ยบางคนแพ้ก็เจ็บมากแล้วแต่ ก็นทอดเลยรมเรเน้นมาครอบอะมาครอบเลยอเอออ่าับั บ, บัวัดเลยนะทามาอีกไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ดูนแะแมลงกล่ ม, มแมลงมีพิษ ถ้าอย่างสูตรที่กล่าวไปเนี่ยนะปกติศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นที่ว่าสําคัญในเนี่ยทวารตานะตาสีจัคคูวิญ ญ, ญาณผัสสะเวทนาเนี่ยว่าสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยน ะ, ะโดยแง่มุมต่างๆนะคือคิดเพลิดเพลินพอใจด้วยแง่มุมต่างๆทีนี้พอไปสําคัญจะสําคัญโดยแง่ไหนก็ตามเถอะด้วยกิเลสเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นอย่างที่อย่างที่ตัวเองสําคัญ เน่พอไม่เป็นอย่างที่ตัวเองสําคัญเพราะว่าวัตถุที่ตัวเองเข้าไปสําคัญมันเปลี่ยนแปลงแต่ก็สัตว์พอก็พอรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ก็เพลิดเพลินต้องการต้องการใหม่นะนะทวารหูก็เดียวกันนะถ้าถ้าเรามาใคร่ครวญเนี่ยก็รู้ว่าโลกทวารตาทั้งหมดเนี่ยมันมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ก็หวังว่าจะได้อันใหม่อีกทวารหูก็เหมือนกัน น, นะปกติของหมูสัตว์เนี่ย รู้ว่าหูเสียงเป็นต้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องการหูเพื่อฟังเสียงอีกต่อไปก็รู้ว่าจมูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่ก็หวังเพื่อต้องการจมูกอีกต่อไปมีลิ้นที่เปลี่ยนแปลงก็หวังเพื่อจะได้ลิ้นอีกต่อไปมีกายที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนก็เพื่อต้องการกายต่อไปมีใจที่เปลี่ยนแปลงก็หวังที่จะได้มีใจอีกต่อไปอันนี้คือปกติของ สัตทั้งหลายเพราะผู้ที่เขาเจริญวิปัสนาหรือผู้ที่มีปัญญาไข้ครวญจะไม่สําคัญสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของกิเลสโดยประการใดประการหนึ่งก็คือมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายหรือตามความเป็นจริงนั่นเองสูตรก่อนนี้ได้กล่าวถึงว่าสิ่งทั้งปวงนะสูตรนี้บอกเลยว่าบุคคล น, นั้นย่อมไม่สําคัญซึ่งขันาธาตุและอายตนะในขัน าธาตุและอายตนะแต่ขันาธาตุและอายตนะว่าขันาธาตุอายตนะเป็นของเราบุคคลผู้ไม่สําคัญอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกคือไม่เข้าไปสําคัญในด้วยอํานาจกิเลสในขันอายตนะาธาตุเลยก็ไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิหรือไม่ถือมั่นว่าเที่ยงสุกงามและอัตตาเมื่อไม่ถือมั่นก็ย่อมไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุงย่อมดับสนิทได้เฉพาะตนทีเดียวย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนพิสูนทั้งหลายอันนี้แหลคือข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะและทิฐิเนี่ยนะ ก็ในแต่ละสูตรนะตรัสอรหัตตมรคไว้ร้อยกว่าฐานะทั้งนั้นเลยะ่จากข้อความแนตทัศนที่บอกว่าตรัสวิปัสสนาให้บรรลุผ้าฐานในร้อยสฐานะเนี่ยนะสูตรก่อนก็เหมือนกันสูตรก่อน144ฐานะเพราะฉาะนั้นก็แสดงว่าไอาการที่จะบรรลุเป็นผ้าหานเนี่ยสามารถมองในเง่มุมต่างๆแล้วถอนฉันทราคาได้บรรลุหมดอนะ่ะเหน สำคัญว่าให้พิจารณาโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะจะแง่ใดก็ทั้งเถอะสา ม, มารถที่จะตรัสรู้ได้หมดเลยสรุปว่าให้มีให้จัถ้าจับวัตถุประสองค์เอาไว้นะคือต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะจะจะพิจารณาในแง่ไหนก็ได้เนีย่ยะคือแต่ว่ า, าคําว่าแง่ไหนก็ได้นี่แง่กลุ่มรวมรวมว่ากลุ่มไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะจะมองมุมใดก็ได้แบบนั้นเนี่ยเป็นใช่ได้ <c oughs> อีกสูตรนึงนะทูติยะสปายะสูตรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ลักษณะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจากแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตันหามานะและทิฏฐิแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะด้วยตันหามานะและทิฏฐิเป็นไฉ่ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะจกักรสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้ชี้นําเลยนะชีน้นําาจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกพิสูจก็กราบทูนว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าของเรานะเชื่อไหยว่าจากักรสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเชื่อใช่ไหมถามว่ายอมรับจริงๆริงไหมว่าจากักรสุไม่เที่ยงยอมมาและกี่ครั้ง หรือว่ายอมตอนที่นึกถึงคําเนี่นะแต่คือปกติเนี่ยถามว่าทําไมเอ๊ะเราก็พอรู้รู้อยู่นะแต่บางคนก็บอกเอ้ก็พอรู้รู้อยู่ทําไมมันมันไม่บรรลุมันไม่ละกิเลสเป็นต้นเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันก็พอมันรู้แต่นะปริมาณของความรู้ไม่พอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอ๊เช่นว่าจากักรสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรายอมรับไหมว่าไม่เที่ยงก็ยอมแต่ว่าไม่ได้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย เหมือนกับคําอย่างหนึ่งนะเมื่อวานสนทนากันว่าอ้าวทุกคนนี่รู้ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายรู้แต่มีความคิดไหมพอมองเห็นใครปั๊บคนนี้เดินไปสู่ความตายนะคนนี้ก็เดินไปสู่ความตายเราคิดอย่างนี้ก็คิดเพื่อไปสู่ความตายอีกเหมือนกันทุกคนไหลหไปสู่ความตายกันหมดเลยเนี่ยนะคนในะอดีตก็ไหลมาจะตายมาเรื่อยคนเนี่ที่เห็นเอยู่เนี่ยจะตายหมดอะ่ะที่จะเกิดไม่กก็จะไหลหไปสู่ความตายหมดอะ่ะถามว่าคิดอย่างงี้ไหม เห็น <S an> ใครก็คิดเออนี่คนนี้ก็เดินไปสู่ความตายนะคนนั้นก็เดินไปสู่ความตายเนี่ยมแมลงก็บินไปหาที่ตายนะเป็นต้นอะ่ะคือไม่ได้แช่งตายแต่ว่าเขาจะต้องตายจริงๆถามว่าถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนั่นแหละเข้าใจถึงคําว่าไม่เที่ยงแต่ถ้ารู้ก็คือรู้นะรู้เขาว่ามานะจริงๆริงก็จำเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าว่าไม่เที่ยงแล้วก็ว่าไม่เที่ยงกับเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้ตามเห็นแบบนั้นจริงๆพอไม่ได้ตามเห็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่พออยู่แล้วที่จะบรรลุ เขามีอย่างหนึ่งคือบอกว่าสิ่งอะไรก็ตามนะถ้าะสมมติว่าตันหาเกิดขึ้นแสดงว่าเราพิจารณาในสิ่งนั้นโดยทุกขลักษณะไม่พอถ้ามานะเกิดขึ้นให้รู้เธอว่าพิจารณาโดยอนิจจาลักษณะไม่พอหรือถ้าโทสะเกิดขึ้นให้รู้เธอว่าเจริญเมตตามาไม่พ อ, อะนะถ้าโมหะเกิดขึ้นให้รู้เธอว่าพิจารณาสิ่งนั้นมาไม่พอ จะต้องทําให้มันพอพอแค่ไหนพอที่จะกิเลสไม่เกิดได้ฉันไหนก็ดีการพิจารณาจากสศขก็เหมือนกันนะตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจนกว่าจะเพียงพอที่จะกิเลสไม่เกิดนะะนั่นแหละนั่นตรงนั้นเป็นข้อสําคัญเอางั้นก็ถามว่าจะต้องพิจารณาอย่างเนี้บ่อยไหมมากไหมอ่ะนะถ้าเจริญอา น, นิจจสัญญาจนบริบูรณ์จริงๆอ่ะนะแค่ความไม่เที่ยงเช่นจากสศกไม่เที่ยงอ่ะจนกว่าลืมตามเมื่อไหร่รู้เลยอะ จากสู่ที่ลืมตามันก็นไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าจะมีตาอีกก็เพื่อเอาตาเพื่อมาเพื่อความไม่เที่ยงเนี่ยลืมตาทุกครั้งกับตารับถึงความไม่แน่นอนของของตาเนี่ยนะถ้าใช้ไม่เที่ยงก็จะบอดอันไหนดีกันอันไหนขลังกัน <c oughs> จางเกซุดาอันไหนขลังกันไม่เที่ยงกันเดี๋ยวมันจะบ อ, อ, นนนบอดานล้วนะนั่นแหละจริงก็สับเดียวกันแต่ไหนหนะ มันจะเสียแล้วนะมันจะเดียนะก็หมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะคือสาระของคำสอนตรงนี้นะที่พระองค์ชี้นำอย่างเงี้ยเพื่อให้เราไปเจริญให้บ่อยขึ้นถ้าเราเจริญไม่บ่อยนะเดี๋ยวเหอะมันจะเดือดร้อนนะนะ นี่ิสูจทั้งหลายที่ตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะนะองค์ก็ถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเห็ะนไะว่างก็นั่งทำกันบ้านนะนั่งทําตาปิดๆลืมตาหลับตาดูแล้วก็คิดเอ๊ตานี่มันไม่เที่ยงไอ้ไม่เที่ยงมันตาคนอื่นหรือตาดวงนี้เนะห ก็เหมือนกับอะไรนะเขาเข้าโรงพยาบาลนะทุกคนนี่ไม่ไม่ค่อยได้คิดว่าตัวเองเป็นคนไข้เลยใช่ไหมเออของเราเดี๋ยวจะมาเข้าโรงพยาบาลนะเนี่ยสมมตินะโรงพยาบาลมีกี่แผนกแผนกตาแผนกหูแผนกจ ม, มูกแผนกฟันแผนกสารพัดแผนกแบบที่ซ่อมทั้งหลายแะไรเนี่ยนะนยเคยคิดไหาเออเนี่ยทุกแผนกเราเข้ามีสิทธิ์เข้าหมดเลยเงี้ยนะเราพร้อมที่จะเดินเข้าแผนกต่างๆเพื่อที่จะซ่อมบํารุงในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะนะจริงๆเราก็ไม่ค่อยคิดว่าคนป่วยเป็น เป็นเราสักเท่าไหร่นะคนตายก็เหมือนกันนะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะนะปกติก็เมื่อไหร่จะคิดทีก็ไม่รู้นะว่าคิดถึงคําสอนเมื่อไหร่นั่นแหละพอที่จะคิดได้ทีหนึ่งเนี่ยนะนะแต่ถ้าลืมคําสอนก็เอาอีกแล้วเนี่ยนะนะเรานี่อยู่อีกนอนเนี่ยนะนะทำไมเพาเหตุใดครนะับทำไมจิตไม่น้อนไปคิดอย่างานี้ท่านที่ท่า น, นที่บางทีเราเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็มีแค่คนอื่นป่วยแต่ว่าเราก็ไม่ป่วย ก็พ่อวิปลาสนะครับว่าตรงๆก็แบบพ่อบ้านะเพว่าใช้จับตรงๆเลยนะเธ <c oughs> อพราะวิปลาสคือความสําคัญว่าเที่ยงเนี่ยนะสำคัญว่าสุขสําคัญว่าอัตตาเนี่ยนะความสําคัญด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิี่นี่แหละครับทำให้ไม่ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยนะว่าไอ้นี้พวกนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเมนนี่เขาไม่ได้อะไว้เผาเทวดาใช่ไหม แต่เราก็บอกเออเนี่ยเมนนี่เราก็มีสิทธิ์มาใช้นะเมนนี่เราก็มีสิทธิ์ใช้เมนนี่เราก็มีสิทธิ์ใช้อย่างเงี้ยกระดูกเราพร้อมจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนะนนเนี่ยอย่างนั้นน่ยก็คือไม่ให้ได้เจริญอย่างนั้นเมื่อไม่เจริญอย่างนั้นเขามันก็ไม่คู่ควรที่จะจะพ้นจากขันห้าอยู่แล้วเนีนั่นก็หมั่นคิดเนี่ยนะหรือไม่ก็ถ้าเจริญอันนี้จาดสัญญาบ่อยก็จะคิดลักษณะว่าเออเนี่ยตรงไหนบ้างเราตายไม่ได้เนี่ย หาดูที่ที่เราไม่ตายแน่เลยนะตรงนั้นเนี่ยหาเจอไหมอย่างนั้นถ้ายังมีขันเหล่านี้มันก็ไม่เจออยู่แล้วมันก็ทุกแห่งนี้พร้อมที่จะเป็นที่มรณะได้หมดเลยทุกแห่งพร้อมที่จะเป็นที่เสียหายเนี่ยน ะ, ะทุกแห่งก็พร้อมตาที่จะบอดหูจะหนวกจะหมกจะเสียลิ้นจะเสียกายจะเสียใจแม้กระทั่งจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันเจริญอย่างนี้บ่อยๆก็อันนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้า สังเกตดูว่าผลอนิจจังทุกขังอนัตตานะอ้าวเราก็พอรู้รู้ะตั้งันถามว่ารู้ของเราเนี่ยรู้พอจะเบื่อหน่ายไหมเเพราะตามหลักเขามีหลักใช่มว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บุคคลเจริญจนบริบูรณ์แล้วย่อมนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายที่บริบูรณ์ย่อมนำมาซึ่งความคลายกําหนัดเนไหม มันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเลยแสดงว่าความโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเจริญไม่พอเนะเจริญไม่พอเมื่อเจริญไม่พอมันก็เลยไม่คู่ควรต่อการเบื่อหน่ายถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไม่คู่ควรแก่การสิ้นทุกข์นยะก็ไม่คู่ควรแก่การสิ้นทุกข์นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วการพระองค์ว่างง ไปว่าอะไรเขาเราจะไปว่าอะไรเขาอะไรสัตว์พูดบอดผูดจะไปว่าอะไรเขาอะสัตว์พูดเป็นคนบอดคนเขานนคือถ้าถ้าไม่เจริญอ่ะนะนการคิดถึงวัฏทุกเนี่ยจึงต้องหมั่นมามาพิจารณาให้บ่อยๆว่า ทุกเนี่ยมันยาวมากนะมันมันไม่มีสิ้นสุดนะถ้าไม่เจริญให้พอเนี่ยกองทุกทั้งหมดเนี่ยเราพร้อมที่จะรับถ้าเอาอย่างนี้นะบอกว่าภาระทั้งหลายของแต่ละคนที่รับอยู่ในโลกนะถามว่าน่าพอใจไหมเอาเอ า, เอาแต่ละคนมาศึกษาดูนะคนนี้เขามีภาระทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขารับภาระอันนี้คนนี้รับภาระอันนี้คนนั้นรับภาระเรื่องนั้นคนนั้นรับภาระเรื่องนั้นนะนะถามว่าเราพอใจไหมที่จะรับภาระเหล่านั้น เราบอกไม่พอใจทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่ทํากิจอันนี้ให้เสร็จนะสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือสัตว์ที่เราเคยเกิดมาแล้วที่เคยเป็นมาแล้วเว้นพระอริยะชไอที่เราเห็นเรารับรู้คือคื อ, คอลักษณะที่เราเคยเป็นมาก่อนแต่ถ้าปฏิบัติอันนี้ไม่เสร็จนั่นะคือภาระที่เราจะรับต่อไปรู้เลยสมมติว่าพร้อมที่จะไปรับภาระได้ทุกอย่างมีถามว่าอุทาหออันนี้มาจากไหน มาจากสูตรหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงถ้าภิกษุเนี่ยไปเห็นพวกคนยาจกยากไรอนนาถาเนี่ยนะเรียกว่าถ้าไปอินเดียไปเห็นแบบนั้นนะลักษณะนั้นพ อ, องษ์ก็บอกให้น้อมว่าในอดีตอันยาวนานเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งมวลแต่นี้อันนี้สาหรับพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าเออแค่นี้พอแล้วที่จะเบื่อหน่าย นี่ของเราอะนะถ้าบอกถ้าชั้นยังไม่อยากเบื่อมันก็ไม่เป็นไรก็บอกฉั้นก็พร้อมแล้วที่จะไปเป็นแบบนี้นะก็ต้องเป็นแบบนั้นนนะถ้าบอกว่าถ้ายังไม่อยากเบื่อนายในสังขารให้ให้รับรู้เทอะว่าศึกษาประวัติของสัตว์ในโลกทั้งหมดนะให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะไปเป็นแบบนั้นได้หมดเลยอ่าไม่มีภพใดที่ยังไม่เกิดนะภพสามกำเนิด4ี่คติหวิญญาณทิฏฐเจ็ดสตาวาสเก้าเนี่ยพร้อมที่จะไปอยู่ณนะตําแหน่งต่างๆได้หมดเลย สำหรับผู้ที่ยังไม่เบื่อหน่ายเนี่ยนะเราะั้นก็ถ้ายินดีที่จะรับทุกข์ต่อไปก็ก็ไม่ต้องเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่ปรารถนาทุกทุกไม่เป็นที่รักทุกข์ไม่เป็นที่พอใจนั้นก็กิจก็คือเนี่ยการเจริญให้มากการทำให้มากทำให้บริบูรณ์ในศีกขาตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันทานเนี่ยจับโซเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะเอ๊นี่เขาใช้ตารอวันบอดนะ อันนั้นถ้าเอามาคิดแบบนี้ก็ได้นะว่าเป็นภาษาเราๆก็ได้เออเนี่ยตาทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะบอดได้หมดเลยนะอนะันนบอดวันนี้หรือบางคน ก, ก็ตาค่อยๆเสียไปเรื่อยๆนะเพราะในที่สุดจะต้องนําไปสู่ความบอดจนได้อันนั้นทุกๆตาเลยนะก็ไล่ไปไงนะถ้าพิจารณาความไม่เที่ยงของตานะีหรือพิจารณาความไม่เที่ยงของสีนะเออสีของทุกคนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะเนี่ยแต่เรวันเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปในที่สุดเนี่ยผิวหนังก็ไม่เหลือเนี่ยนะ ผิวหนังที่เห็นเนอยู่พร้อมที่จะเป็นอื่นไปได้หมดเลยนะทีนี้ถ้าตาก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนและจิตเห็นเนี่ยนะโดยเฉพาะโลกของนามธรรมที่ต้องอาศัยรูปรธรรมเหล่านี้มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็เปลี่ยนอยู่อีกแล้วนะนะอ้าวแล้วเราพอใจอะไรทําไมเราต้องพอใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่งความเดือดร้อนคือนะถ้ายอมรับแบบนี้นะแล้วเจริญมากๆถามวมาคิดว่าจะเบื่อหน่ายได้ไหมก็เบื่อหน่ายได้ สำคัญว่าเจริญได้ไหมอันนี้ก็คิดอีกทีหนึ่งไู้จะพอใจอันไห น, ถ, ไนถ้าพิจารณามากๆเนี่ยจะไม่น่าพอใจแม้แต่อันเดียวแต่ที่ยังพอใจเพราะไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะก็กว่าอะไรนะผู้ที่รู้ว่ารถอาหารมันอร่อยก็คือรู้เลยว่าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่พอเนี่ยนะ ถ้าสำคัญว่าเหมือนกับว่ายังอยู่อีกนอนเนี่ยนะอันนี้แสดงว่าเจริญมรณานุสติไม่พอนนะนั้นก็คือผลผลให้ตรงก็คือผลที่เกิดจากการไม่เจริญสมถะวิปัสนาจนเพียงพอนั่นเองเพราะคนที่เจริญพอนะเช่นผู้ที่พิจารณาเหตุเกิดความดับของขันหจนบริบูรณ์เขาจะเห็นความเป็นของหน้าปฏิกูลของขันห ถ้าพิจารณาเหตุเกิดของความดับผัสายยตนาหกจะเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนี้ะนะคือคือผลเนี่ยจะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลคําว่าปฏิกูลนี้แปลว่าสุดทั่วไปะนะสมมุติถ้าเราไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้สึกยินดีแปลว่าสิ่งนั้นมันปฏิกูลใช่ไหมคือของเป็ดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการยินดีะน ะ, ะยกตัวอย่างเช่นขยะเนี่ยนะเอาไปทิ้งบ้านใครเนี่ยใครจะเอาบ้างเพราะเราถือว่าสิ่งนั้นมันปฏิกูลเราเลยไม่ต้องการ ผู้ที่เจริญหรือพิจารณาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้า ม, มากพิจารณาเหตุเกิดความดับของภาษายะตนะมากพิจารณาความเป็นของปฏิกูลในอาหารเป็นต้นมากนะียสิ่งเหล่านี้จะเห็นทุกอย่างเป็นของปฏิกูลหมดถ้าหากว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ปฏิกูลเนี่ยนะหรือไม่น่าเพลิดเพลินถามว่าดียังไงดีหรือไม่ดีนะตั้งโจทย์อันนี้นะน้องๆ น, น่าจะช่วยกันตอบดูนะเออถ้าเราเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเบื่อหน่ายหมดเลยมันดีหรือไม่ดี ห้ามันดีดียังไงนะแล้วทําไมเราจึงต้องการสิ่งเหล่านั้นด้วยเอาเพื่อจะต้องมาเจริญแบบเนี้นะช่วยกันตอบหนะ่อยเราเคยคิดนะถ้าไม่มีตานี่มันดียังไงสมมุตินะถ้าไม่มีตาหรือถ้ามีตานี่ดียังไงนะครับตัง้งคำถามมันนี้ดูวยนะ แล้วตามันมีได้ยังไงแล้วตาไม่มีได้ยังไงแล้วตาเนี่หน้าเพลิดเพลินหรือไม่หน้าเพลิดเพลินอ่ะนะนั่งโจทย์แบบเนี้ยมาถามดูเพราะถ้าโจทย์แบบนี้อะนะปุตฉ้าแบบนี้บ่อยๆก็จะนํามาซึ่งสติปัญญาที่กว้างขวางยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าไม่ใช่มันเออจักโรโไม่เที่ยงนะนั่งท่องมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอ่ะนะโดยที่ว่าไม่ได้ใครครวญจนรอบรู้รู้ ร, รอบในเรื่องของจักรโคจริงจริงอ่ะไม่เพียงพออยู่แล้วที่ จาระกิเลสเนี่ยนะใครตอบดีนะบอกถ้าเจริญพวกนี้มากๆเบื่อแล้วนี่มันดียังไงถ้าไม่เบื่อแล้วมีโทษยังไงไม่มีใครเสนอมาเลยเงียบหมดเลยคือคือถ้าพูดถึงไล่มาตั้งแต่ว่ า, าจาักสุเป็นอะไรนี่แล้วก็พออธิบายได้ แล้วก็อ่ามันเกิดมายังไงมันดับยังไงเนี่ยเราก็ยังพอพออธิบายได้แนะม้แต่คุณก็ดีโทษก็ดีเราก็ยังพอเห็นนะแต่ว่าเอถ้ามันไม่มีแล้วมันดียังไงนี่ตรงนี้ดะครับว่าปกติคนที่มีสักกายะเป็นพื้นอยู่นี่นะฮะมันไม่เค้ามันก็มันก็ต้องถ้าจะปล่อยอันนี้ก็ต้องเห็นว่าอีกอันหนึ่งต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใช่ ปกติก็ต้องใน ง, งั้นอยู่แล้วอคือถ้าจะเห็นว่าจะปล่อยสิ่งนี้สิ่งนี้มีแสดงว่าต้องมีสิ่งดีกว่านี้ถูกไหมครับแต่สิ่งดีกว่านี้เนี่ยเราไม่รู้จะเชื่อเ ช, ช, ชื่อใครนอกจากพระภพุทธพเท่านั้นเองเราต้องเชื่อไว้ก่อนนะว่าพระพรภุทธพาต้องมีสิ่งดีกว่านี้ก็คงจะมีได้เท่านี้จึงสอนให้ละอันนี้ขึ้นอ อ, อโดยปกติทั่วไปนะถ้าเราลองมาคิดแบบนี้ขึ้นเอานรกเนี่ยมันเสียหายใช่ไหม ถ้าไม่เกิดในนรกเป็นความดีใช่ไหมถ้าไม่มีตาของสัตว์นรกก็ไล่ไหมเออเปรตนี่มันก็เดือดร้อนอะ่ะถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นเปรตนี่มันดีไหมนะโอ้สมมตินรกมันก็มีตานะถ้าตาไม่โผล่ในนรกมันก็ไม่ทุกแบบนรกถ้าตาไม่โผล่ในเปรตทุกแบบเปรตก็ไม่มีถ้าตาแบบเดรฉันไม่มีอะนะทุกแบบเบรฉาัานมันก็ไม่มีอันนี้ยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะขอมีอันอื่นให้หมด เอาตาแต่บอดอย่างเดียวอย่างนั้นเลยเอากายะภาษาธะดีกว่าเพราะภาษาทวนเนื่องในนรกนี่มันชัดเจนใช่ไหมถ้าไม่มีกายะภาษาธะตาน่ะที่ไปไมีในภบนั่นน่ะถูกเผาในนรกทั้งหมดมันจะดีมากอย่างนี้ชัดเจนเลยดีทีนี้ถ้าไม่มีกายแบบเปรตเนี่ยถามจะหิวไหมไม่หิวะ ถ้าไม่มีกายแบบเดรฉานทั้งหลายถ้าไม่มีกายแบบวัวนะต้องไปลากเปลี่ยนไหมถ้าไม่มีกายแบบควายเนี่ยจะต้องไปไถนาไหมถ้าไม่มีกายแบบม้าเนี่ยมันจะต้องไปลากถ้าไม่มีกายแบบช้างเนี่ยมันจะต้องไปเน็ดเหนื่อยแบบนั้นไหมนี่ก็อะไรดูทีนี้ถ้าเอากายแบบทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าไม่มีกายเนี่ยมันจะมีโรคมะเร็งไหมไม่มีถ้าไม่มีกายจะมีโรคเอทไหมถ้าไม่มีกายจะพิการไหมไม่มีกายเนี่ยนะเอออันไหนจะดีกว่ากัน สมมติถ้าร่างกายเหล่านี้สมมติอา้าวคุณเนี่ยลําไส้คุณมันเน่าแล้วนะถามว่าคุณจะเอาออกหรือเอาไว้ดีอ่า น, นะมันเน่าแล้วควรเอาออกหรือเอาไว้ดีคุณนารีอ เ, <c oughs> เอาไม่เอาไวนะ้นอะแล้วมันดียังไงอะ่ะถ้าเอาออกอเห็นไหมคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่ามองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระเมื่อไหร่นะจะเห็นว่าการออกดี ชั้นในก็เด่นะจะรู้ว่าโอ้เนี่มันเป็นความสุขนะสมมุติถ้าเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดานะกายอันเดียวกันนะกายของมนุษย์เราก็เห็นอเน็ตเหนื่อยนะกายของเทวดามันไม่ต้องมารับภาระอะไรมากมายขนาดนี้เราก็ว่าดีกว่านั้นเอาถ้าออกจากกายของเทวดานะถ้าเทียบกับกายของพรหมและลำบากกายของเทวดายังต้องกินเป็นต้นเนี่ยนะยังวุ่นวายอยู่ของพรหมนี่อิ่มโดยธรรมชาติดีกว่าตั้งเยอะเนี่ยนะ สำหรับอรูปปฐมทั้งกรบอกว่าแกก็ยังมีกายอีกนั่นแหละไม่มีกายมันสบายกว่ากันตั้งเยอะว่ากันแต่ว่าทั้งมีกายทั้งไม่มีกายเหล่านั้นนะในที่สุดก็วนไปหาไอ้กายไอ้ที่ไม่น่าปรารถนาอีกจนได้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นนะวนไปหากายอันใหม่นี่นะเช่นทิ้งกายนะรกถือเอากายเปรตทิ้งกายเปรตถือเอากายเทวด า, า, า, าบ้างเอากายมนุษย์บ้างทิ้งกายมนุษย์ถือกายเปรตทิ้งกายเปรตถือเอากายเดรัจฉานก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเอ๊ะถ้าไม่มีกายอันนี้มันจะดีขนาดไหน ก็ต้องเห็นคุณของการออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นคุณเมื่อไหร่นั่นแหละจิตมันจึงจะน้อมออกแต่ถ้าไม่เห็นคุณเนี่ยพระ อ, องค์บอกเลยว่าถ้ายังเห็นว่าสังขารเป็นสุขเห็นการออกจากสิ่งเหล่านี้ว่ายังไม่ด่นนะเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมรรคอันนี้บอกเลยตรงๆคือไม่ใช่ฐานะที่จะก้าวลงสู่สัมมัตตานิยามสมนะถ้าเห็นว่าจักสุเป็นของสุขอยู่ ไม่ใช่ฐานะที่จะก้าวลงสู่สัมมตานิยามคืออริยมรรคแล้วแทงตลอดอมตะธาตุไม่ใช่ฐานะพันพื้นฐานนี่จะต้องเห็นคุณของเนคขมมะคือมรรคเห็นคุณของเนคขมมะคือนิพพานนะต้องเห็นคุณของพวก น, นี้มากเห็นอันนี้สองเนี่ยดีนะถ้าโสดาปฏิมากรเราเกิดนะจกักษุในนรกเปรตอสุรกายเดรฉ า, านดับหมดเลยจกักษุในการพบที่แปดต้องดับถ้าได้อริยมรรคอันนี้ ต้องเห็นคุณอันนี้ให้มากก่อนนะนะแล้วจิตมันจริงจะน้อมออกแต่ถ้าเอ๊ะมันก็ไม่มักไม่บรลุกก็ไดายม่บรลุกก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเสียหายอะไรก็อยู่ของฉันไปเห็นไหมเห็นไหมเช้ามามีอะไรมากไก็เนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นค่าเช้าสายบ่ายเย็นค่าก็ยังเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะปกติหมดเลยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็อย่างว่ามันมันไม่ก่อให้เกิดการพิจารณาอะไรมากเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นระลึกบ่อยๆนะเอ๊ะถ้าไม่มีตา เกิดในนรกเนี่ยดีไหมถ้าโซดาปฏิมาเกิดนะพบทั้งสี่อย่างเนี่ยอบายสี่นี่ดับหมดเลยการปฏิสนธิณนะที่นั้นๆเนี่ยจะดับหมดเลยโอ้ดีนะคือต้องน้อมจิตไปคิดแบบนี้ให้บ่อยๆว่าดีนะดีนะเนี่ยนะไอตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอัธยาศัยวิวัตะแต่ถ้าไม่มีอันนี้เลยแหมอย่างว่านิพพานี่ปาธนานี่ไม่รู้ปาถนาจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก็นะเขาว่าดีอ่ะเขว่าตามเข้าไปแต่ก็ดีนะแต่ว่าเพื่ออุปนิสัยอีกสักไม่กี่กลับหรอกนะเนี่ยแสดงว่าศรัทธานี่มีความสําคัญมากๆเลยจึงต้องอมีการเาจเริญให้ให้ให้ครบต้ง5้าคือมรรคแรกเนียแสว่าศรัทธานี่สําคัญมากเลยมรรคแรกอะสัตหินรียยโสดาปฏิมรรคเนี่ยมันเป็นมรรคที่โตด้วยสัตหีนซนะีโสตาปฏิยังค่าธรรมนะสัตหินรียเห็นที่ไหนเห็นที่ โสตาปฏิยังค่าธรรมผู้ที่เป็นพระโสดาบจะมีอินทรีย์ที่บริบูรณ์ะนะคือสัตทินซีะนะมีศรัทธาในพระตัตนมตรายที่บริบูรณ์หนึ่งเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งดีจริงๆความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาธุสุภะพุทธสุพโพธิตาว่าโอ้สาธุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า สาธุธรรมะนี้ดีจริงๆนะไม่นําเกิดณนะที่นั้นๆธรรมะนี้นําออกจากสิ่งเหล่านั้นดีจริงๆเออพระสงฆ์ท่านที่ปฏิบัติตามนี้ท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้เออดีนะอันนี้เราก็เรียกว่ามีสาระคมก่อนอนะันดับแรกทีนี้ไ อ, ไอจิตที่มีสาระคมอันนี้แหละที่เรียกว่าอุปนิสัยแห่งวิวั ต, ตะเนีย่ยนะเออดีแสดงว่าใจเราน้อมที่จะต้องการสิ่งนั้นถึงยังปฏิบัติไม่ได้แต่เขาเห็นว่ามันดีจริงๆนะให้มันได้ด้วยอัธยาศัยก่อน เชื่อโดยไม่สงสัยเลยเนะ จ, นจนยอมรับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ